ธรรมะรถจะวิ่งได้ต้องมีของดีหลายอย่างช่วยกันทำให้มันวิ่งแต่ว่าของดีอันแรกที่จาเป็นอย่างยิ่งก็คือเครื่องยนต์ของรถคันนั้นเองเครื่องยนต์ต้องดีรถจึงจะวิ่งได้ถ้าเครื่องยนต์เสียเสียอย่างเดียวแม้น้ามันจะดีถนนจะดีและคนขับจะดีเท่าไรเท่าไรก็ตามรถก็คงวิ่งไปไม่ได้อยู่นั่นเอง คนเราก็เหมือนกันจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีดีหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดและขาดเสียไม่ได้มีอยู่อย่างหนึ่งคือตัวเราเองต้องเป็นคนดีไว้ก่อนลงได้ตัวเราเป็นคนเสียแล้วแม้ตระกูลจะดีกิจการดีหรือเจ้านายดีแสนดีเราก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้น คนที่มุ่งจะก้าวหน้าจึงต้องทำงานอย่างหนึ่งเสียก่อนคืองานทำตัวให้เป็นคนดีอะไรเล่าที่จะทำให้ตัวเราเป็นคนดีอาหารหรือไม่ใช่อาหารช่วยเราได้เพียงทำให้เป็นคนแข็งแรงรับหรือผิดอีกรั์ช่วยให้เราได้เพียงทำให้เป็นคนมั่งมีความรู้หรือเข้าทีแต่ไม่ตรงแท้ เพราะความรู้เพียงทำให้เราเป็นคนฉลาดคนฉลาดแกมอะไรๆก็ยังมีสิ่งที่ทำให้คนดีโดยตรงมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่แปลกมากเมื่อผู้ใดมีไว้แล้วผู้นั้นจะเป็นคนดีซึ่งยอมรับกันทั่วไปทั้งทางโลกทางธรรมพ่อแม่ที่มีธรรมะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีลูกที่มีธรรมะก็เป็นลูกดี ผัวที่มีธรรมะก็เป็นผัวดีเมียมีธรรมะก็เป็นเมียดีคิดตัวเองก็แล้วกันแม้ในการต่อสู้แข่งขันซึ่งเป็นเรื่องการชิงชัยถ้าฝ่ายชนะมีธรรมะคนทั้งหลายก็นับถือถ้าฝ่ายแพ้มีธรรมะคนก็เห็นใจไม่ว่าใครจะเป็นอะไรเป็นครูเป็นสิทธิ์เป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างเป็นโจทย์เป็นจำเลยเป็นผู้พิพากษา จนกระทั่งถึงเป็นผู้คุมเป็นนักโทษและเป็นอย่างที่ตัวท่านเป็นอยู่เวลานี้ก็ตามและไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ในโรงนาจนกระทั่งถึงในธรรมเนียบรัฐบาลและในรัฐสภาถ้าผู้นั้นเป็นคนมีธรรมะแล้วเขาก็เป็นคนดีสิ่งที่คนนิยมกันว่าดีนั้นมีหลายอย่างและต่างกันแล้วแต่ใครจะชอบอะไรคนไทยชอบอย่างหนึ่ง คนฝรั่งไปชอบอีกอย่างหนึ่งจีนแขกพม่า ก, ก็มีอะไรที่ชอบแตกต่างกันไปเรียกว่ารถนิยมไม่ตรงกันแต่ธรรมะเป็นความดีสากลคือทุกคนทุกชาติทุกภาษานิยมตรงกันข้าพเจ้าทราบเหมือนกันว่าการเกลื่นบทความด้วยการกล่าวถึงคําว่าธรรมะธรรมะอย่างซ้ําๆำซากๆเช่นนี้ทํำให้ท่านผู้อา่านบางท่านรู้สึกเบื่อ และท้อใจอยู่บ้างคงยิดว่าจวนกึ่งพุทธการแล้วอย่างไรอย่างไรก็จะถูกข้าพเจ้าชวนเข้าวัดจำศีลภาวนาแน่ๆเพราะยังมีคนอยู่เป็นอันมากที่เข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่วัดเลยเข้าใจว่าควรธรรมะจะต้องเป็นคนแก่งกงเงนิงนงนั่งก้มหน้าห้านาทีพูดคําหนึ่งควรเข้าใจอย่างนี้มีอยู่ไม่น้อย ซึ่งข้าพเจ้ากล้าพูดอย่างไม่เกรงใจว่าเป็นความเข้าใจคำว่าธรรมะผิดไปคำว่าธรรมะแปลกันว่าสภาพผู้ส่งไว้นี่แปลให้ยากแปลอย่างรักษาภูมิถ้าแปลกันอย่างฟังง่ายๆให้ได้ความเข้าใจทางปฏิบัติข้าพเจ้าแปลความถูกความดีถูกกับดีนั่นแหละคือธรรมะไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตาม ถ้าทำให้ถูกด้วยให้ดีด้วยก็เรียกว่าทำถูกธรรมะถ้าทำผิดทำเสียก็ผิดธรรมะจำเอาไว้แค่นี้ง่ายดีที่ท่านแปลว่าธรรมะคือสภาพผู้ทรงไว้ก็หมายความว่าความถูกความดีที่เขาทำนั่นเองทรงตัวเขาไว้ที่ว่าทรงไว้ก็คือไม่ให้ลม้มไม่ให้เซไม่ให้เสียหลักเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่า ธรรมะคืออะไรแล้วทีนี้ถูกกับดีนั้นอยู่ที่ไหนมีอยู่แต่ในวัดเท่านั้นอย่างไรคิดดูเองก็รู้ถูกกับดีนั้นอยู่กับงานมีงานอยู่ที่ไหนก็มีถูกมีดีอยู่ที่นั่นและที่ไหนมีถูกมีดีที่นั่นก็มีธรรมะบางคนคิดว่าตนกำลังงานยุ่งไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมะต้องคอยให้งานว่างๆสักหน่อยก่อน ที่คิดอย่างนี้ก็อยู่ในแผนการจะบวชธรรมะเหมือนกันคือคิดว่าธรรมะเป็นของวัดและเป็นของคนว่างงานความจริงธรรมะก็อยู่กับงานนั่นเองบอกแล้วว่าธรรมะคือความถูกความดีลองสอบถามตนเองดูสิว่างานที่ท่านเองว่ายุ่งยุ่งนั้นในการทำจะต้องการทำให้ถูกให้ดีหรือไม่ถ้าต้องการทำให้ถูกให้ดีก็หมายความว่างานนั้นต้องการธรรมะอยู่แล้ว พูดง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมะได้แม้แต่แม่ครัวทำกับข้าวการก่อไฟดีๆหุงข้าวดีๆหั่นผักดีๆล้างชามดีๆและอื่นๆเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวแล้วแม้คนทั่วไปพูดกันดีๆฟังกันดีๆถามกันดีๆตอบกันดีๆซื้อกันดีๆขายกันดีๆหรือนักเรียนฟังครูสอนดีๆ ทำเลขดีๆเขียนหนังสือดีๆและอื่นๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมะข้าพเจ้าใคร่จะย้ำว่าธรรมะนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับทำงานโดยตรงยิ่งคนงานมากความจำเป็นที่ต้องใช้ธรรมะก็ยิ่งมีมากเหตุใดท่านจึงหลงคิดไปว่าจะให้ธรรมะรอคอยอยู่ก่อนจนกว่าท่านจะว่างงานจึงจะปฏิบัติ แสงสว่างจำเป็นสำหรับคนมีงานฉันใดธรรมะก็จำเป็นสำหรับคนมีงานฉันนั้นการคิดว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมะก็กลัวว่าตนจะเสียเวลาทำงานเมื่อเข้าใจความหมายของธรรมะแล้วก็หมดกังวลเพราะความจริงนั้นการทำงานด้วยการหันหลังให้ธรรมะคือทำผิดๆเสียๆ ย, ยิ่งทาให้เสียเวลามากขอโทษเถอะก็เพราะกลัวเสียเวลานี่แหละ บางคนจะหารายได้โดยสุจริตกลัวว่าตนจะรวยช้าจึงหันไปหาโดยทางผิดธรรมะแล้วผลที่สุดต้องเสียเวลาทำมาหากินคนละ10ปี20ปีก็มีบางคนวิตกไปว่าถ้าตนปฏิบัติธรรมะจะทำให้ความสนุกสนานลดลงคล้ายๆกับว่าเป็นการกั้นรั้วขังตัวเองจะทำอะไรก็ไม่สะดวกซึ่งก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดอีกเหมือนกัน ชีวิตของคนมีธรรมะไม่ขับแคบเลยคนมีธรรมะจะรักกันก็ได้รักอย่างมีธรรมะจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็ได้เป็นอย่างมีธรรมะจะไปดูหนังดูลิเกจะไปตาอากาศบางปูบางแสนได้ทั้งนั้นข้อสําคัญไปอย่างมีธรรมะเท่านั้นมีธรรมะแล้วจะยิ้มก็ได้จะตีหน้าตึงๆก็ได้จะดูใครก็ได้ แต่อย่าลืมถูกลืมดีเป็นใช้ได้ท่านผู้ใดยังเป็นห่วงว่าชีวิตจะคับแคบโปรโดคิดดูจงดีถ้าจะทนคับแคบเพราะการทำถูกทำดีจะไม่ดีไปกว่าถูกบังคับให้อยู่ในห้องแคบแคบรั้วแคบแคบของกรมราชทธนหรือท่านที่เคารพท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่หวังความก้าวหน้าโปรโดคิดดูว่า ถ้าเราได้พึ่งธรรมะมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วธรรมะทำให้พ่อแม่มีเมตตาการุณาต่อเราธรรมะทำให้เพื่อนมนุษย์มองเราในฐานะเป็นมิตรในคราวเราเจ็บถ้หมอมีธรรมะเราก็จะได้รับความเห็นใจในคราวที่เราพลาดพลั้งไปทำความผิดแต่ตำรวจมีธรรมะผู้พิพากษามีธรรมะจนกระทั่งถึงผู้คุมมีธรรมะ เราก็ยังพอประทังตัวไปได้ธรรมะแม้จะเกิดอยู่ในใจคนอื่น <c oughs> ก็ทำให้เราพลอยได้รับความร่มเย็นถึงเพียงนี้ถ้าเราปลูกธรรมะขึ้นในใจเราเองดูบ้างเราจะได้รับความร่มเย็นขึ้นอีกร้อยเท่าพันเท่าธรรมะนี่แหละจะช่วยให้เราก้าวหน้าธรรมะนี่แหละจะช่วยให้เราสุขสบายแม้เราตายแล้วก็ธรรมะนี่แหละ ที่จะดนใจให้ญาติพี่น้องมิสหายพากันเผาศพให้พากันสร้างห่วงซุยให้และธรรมะนี่แหละที่จะดนใจลูกหลานให้ทําบุญสุนทานอุทิศไปให้แม้ว่าตัวเราล้มตายแล้วสักสิปี20ปีธรรมะดีกับเราทุกอย่างตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งเราตายแล้วเหลือแต่กระดูกธรรมะก็ไม่ทอดทิ้งเราแม้ว่าบางคราวเราทิ้งธรรมะ จนกระทั่งได้รับความทุกข์ทรมานธรรมะก็ยังตามไปช่วยดูหรือในโลกนี้มีอะไรอีกเล่าที่ดีกับเราอย่างนี้้วยเหตุนี้ธรรมะจึงอยู่ในความต้องการของมหาชนไม่รู้จักเสื่อมซาการเรียกร้องหาธรรมะมีอยู่ทั่วไปทั้งในวัดในบ้านตามถนนหนทางในรถในเรือบนรองพักบนโรงสารในคุก ในตารางในสนามม้าสนามมวยและแม้ในสนามรบทุกแห่งคนต้องการธรรมะทั้งนั้นเสียอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าเราร่ำร้องแต่จะให้คนอื่นแจกธรรมะให้ตัวแต่ตัวเราเองไม่อยากปลูกธรรมะขึ้นไว้แจกจ่ายให้คนอื่นทำให้กระแสธรรมะขาดการหมุนเวียนบ้านเมืองเลยขาดแคลนธรรมะธรรมะเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการอย่างไม่อัน้น ควรแล้วที่ท่านจะลองผลิตธรรมะออกสู่ตลาดดูบ้างคนดีเท่านั้นที่ก้าวหน้าและธรรมะเท่านั้นที่ทำให้คนดี